Thank mm -hmm. you. เราในที่นี้นะเชื่อว่าทุกคนปรารถนาความสงบไม่งั้นเราก็คงไม่มากันถึงนี้ความสงบที่คนส่วนใหญ่นึกถึงเป็นอย่างแรกก็คือความสงบของสถานที่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่สงบหลายคนมาที่นี่ก็เพราะว่าเห็นมันเป็น ป่าป่านี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสงบใจเราได้นอกลจากความอึกทึกจอแจไม่มีเสียงรบกวนมากนอกจากเสียงธรรมชาติซึ่งมันก็เป็นเสียงที่ซ้ ำ, ซำ ความสงบด้านสิ่งแวดล้อมนี่เราเรียกว่าทางพุทธศาสนาเรียกว่ากายวิเวกกายวิเวกอันนี้รวมถึงการที่ไม่มีสิ่งมารบกวนตัวเราด้วยเช่นไม่มีคนมารบกวนเราต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติไม่มีการคลุกคลีกันอันนี้ก็ เป็นความสงบด้านสิ่งแวดล้อมแต่สมัยนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมาถึงนี่ห่างไกลจากความอือกระทึกครึกโครมไกลจากเสียงรถเสียงราไม่มีผู้คนมารบกวนมากแต่ก็ใช่ว่ามันจะสงบเสียทีเดียวนะ พอเดี๋ยวนี้เนี่ยเสียงจากภายนอกมันก็มาถึงตัวเราได้ไม่ยากนักทั้งที่เราอยู่นี่อยู่ในป่าอยู่ในกติมันมาทางโทรทัศนมันมาทางวิทยุมันมาทางโทรศัพท์ขนาดไกลจากเมืองไกลจากผู้คนก็ยังหาความสงบได้ยาก เพราะว่ามันก็มีเสียงมารบกวนเราแต่อันนี้ก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากนะถ้าเกิดเราห้ามไม่ให้มีโทรทัศน์วิทยุโทรศัพท์ไม่มีสื่อกลางให้เสียงต่างๆเข้ามาความสงบความสงัดนะก็เกิดขึ้นได้ แต่ว่าสมัยนี้เนี่ยคนเราก็ยังโหยหาเสียงเหล่านี้นะยิ่งเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่มีแค่โทรทัศน์วิทยุหรือว่าโทรศัพท์นะมันมีสื่อที่ไม่ส่งเสียงนะก็คือข่าวสารข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอีเมลก็ สามารถจะทำให้ความสงบสงัดของธรรมชาตินี่มันมันกลายเป็นหมันได้เพราะว่าพอได้อ่านข่าวคร า, าวเรื่องราวข้อมูลข่าวสารโดยพอะข่าวสารบ้านเมืองไอความสงบสงัดด้านสิ่งวัต้อนก็อาจจะไม่มีประโยชน์เพราะว่าจิตใจร้อนรุ่ม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 ไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณโทรทัศน์ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ไปในที่ติดต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้เดีย๋ยนี้มีรีสอร์ทหลายแห่งนะไม่ใช่ที่เมืองไทยนะเมืองนอกในอเมริกาในยุโรปเนี่ยรีสอร์ทที่ไม่อนุญาตให้สัญญาณต่างๆเข้ามารบกวนแขก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 อันผนี้ก็แสวงหาไกลวิเวกนแสวงหาความสงบทางด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ต้องรวมถึงการที่สัญญาณต่างๆเข้ามาไม่ถึงนันที่ไหนที่สามารถจะสนองความต้องการแบบนี้ได้นเขาก็พร้อมจ่ายทั้งๆที่อยู่ไกลทั้งๆ ท, ที่สิ่งอำนวยความสะดวกก็มีไม่มาก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 ก็ไม่มีสัญญาณนะจะมาถึงจะให้จ่ายเท่าไหร่ก็เอาเพราะว่าเขาหวังว่าเมื่อมันมีสิ่งแวดล้อมที่สงบแล้วก็จะทำให้ใจสงบด้วยใจยสงบนี่ก็เรียกว่าจิตวิเวกนะอันนี้สำคัญกว่ากายวิเวกสิ่งแวดล้อมสงบแต่ว่าถ้าใจาไม่สงบมันก็ไม่มีความหมายนะ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 น้ำไฟก็ไม่พร้อมนะต้องนอนนอนไม้กระดานนวะพอมีโทสะเกิดขึ้นแล้วเป็นไงใจก็รุ่มร้อนรุ่มๆความสงบก็หายไปแล้วมันมีความไม่สงบมาแทนที่ไม่สงบเพราะโทสะหรือบางทีก็ไม่สงบเพราะโลภะก็ได้โหยหา นึกถึงอาหารที่อร่อยที่ถูกปากนึกถึงความสะดวกสบายนึกถึงหนังนึกถึงเพลงอย่างพระบวนใหม่หรือว่านักปฏิบัติที่มาใหม่เนี่ยก็จะโหยหาสิ่งนี้พอมันมีความต้องการแบบนี้เนี่ยจิตใจก็ไม่เป็นสุขเหมือนกันนะทันนี้เรียกว่าวาวุ่น ไม่สงบเพราะโลภะหรือว่าเพราะราคะบางทีก็โหยหาเกมนะหยหาเฟซบุ o กนะที่ติดติดหนึบเลยนะคนที่ติดในลาบสักการะนี่ก็จะมีอาการแบบนี้เหมือนกันนะพระพุทธเจ้าตรัสเปรียบเทียบถึงหมานะหมาขี้เรื้อนมัน ไม่ว่าจะนอนที่ไหนไม่ว่ามันจะอยู่ในเอเรียบทไหนมันจะอยู่ในถ้ำอยู่ใต้โคนไมอ้อยู่ที่โคนไม้หรือว่าอยู่ในบ้านมันก็กระสรับกระส่ายมันต้องเปลี่ยนที่อยู่เรื่อยแล้วมันก็คิดว่าที่นั่นก็ไม่ดีที่นี้ก็ไม่ดีแต่ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นเพราะว่า หนังมันมีแผลตามภาษาหมาขี้เลือนแต่ไปโทษสิ่งแวดล้อมไม่ได้กลับมาดูตัวเองพู้เจ้า ก, ก็เปรี่ยบเหมือนกับพิสุนะที่หลงติดในลาบสักการละอยากได้โนนอยากให้คนมายกย่องสรรเสริญอยากได้ความสุดกสบายอยากได้เงินทองหรือว่าสิ่งปลนเปลอกก็ไม่มีความสุขนะ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 มีผีหรือเปล่ามีสัตว์ร้ายหรือเปล่าการปรุงแต่งเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าความหลงอย่างหนึ่งนะพอเนึกปรุงแต่งไปสารพัดแล้วนะด้วยความไม่รู้ก็เกิดอะไรขึ้นเกิดความกลัวพอกลัวแล้วเป็นไงใอ้ความสงบในจิตใจก็หายไปเลยนั่นจะาได้ว่าโลภะ หรือราคาแล้วก็โทสะโมหะเนี่ยถ้ามันถ้ามันคลองใจแล้วเนี่ยแม้ว่าจอยู่ในที่ที่สงบสงดัดแต่ว่าจิตใจก็ไม่มีทางที่จะสงบได้ตรงนี้เนี่ยสำคัญมากการความสงบในจิตใจเนี่ยจะไปหวังพึ่งสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวก็ไม่ได้สิ่งแวดล้อมเป็นตัวประกอบ ได้จะว่าไปแล้วเนี่ยเดนนี้จะหาสิ่งแวดล้อมที่สงบสงัดก็ยากแม้แต่ที่นี่เนี่ยแม้จะไม่ต้องพูดถึงเรื่องสัญญาณโทรศัพท์สัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณโทรทัศน์วิทยุถึงแม้จะห้ามเอาสิ่งอุปกรณ์หล่านี้เข้ามามันก็ไม่ใช่ว่าจะหนีเสียงอุกทึกคึกโครมได้าชาวบ้านบางทีก็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 ยิ่งดึกก็ยิ่งชัดถ้าอยู่ที่กรุงเทพก็ปิดหน้าต่างปิดประตูเปิดแอร์สบายมีแต่เสียงเครื่องประากาศอุสาหนีความบุนวายในเมืองมามาเจอเสียงดังัน้นถ้าหวังเอาความสงบสงัดจากสถานที่นี้ก็อาจจะผิดหวังได้เพราะว่ามันก็เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง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 แน่นจะหวังความสงบจากสิ่งววดล้อมหรือจะหวังกายวิเวกเนี่ยมันไม่พอนะถ้าหาว่าเราต้องการความสงบในจิตใจหรือจิตวิเวกนี้ต้องรู้จักพึ่งตัวเองเพึ่งยังไงนะก็ะคือการมีสติรู้ทันรู้ทันโลภะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นเวลาใจมัน อยากก็เห็นความอยากที่เกิดขึ้นเวลาใจันหงุดหงิดเกิดโทสะไม่พอใจก็รู้ทันเวทีเวลาใจมันปรุงแต่งด้วยความหลงก็จะไปหลงเชื่อมันเสียงดังกรอกแจกะกอกแจกข้างนอกหรือว่าเสียงฝีเท้าเดินคล้ายคลเสียงฝีเท้าคนเดิน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 แต่ความหลงนะผสมความกลัวก็ปรุงแต่งว่ามันเป็นเสียงเสียงคนเดินก็ยิงกลัวเข้าไปใหญ่นอนไม่หลับอันนี้ต้องมีสติรู้ทันความกลัวนะแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อความคิดที่ปรุงแต่งตอนที่มาใหม่ๆนะที่เนี่ยมาวันแรกๆเลยอาตมาก็ไปพักที่หอไตรสมัยนะั้นไม่มีกุฏิพอ ข อ, อตาสมัยก่อไม่อยูตรงนี้นะอยู่ตรงข้างบนบนเขาพระท่านก็บอกว่าชาดีนเสียงผู้หญิงร้องนะอย่าตกใจนะผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือโอ้ยโอ้ยอย่าตกใจนะมันอีเห็นมันไม่ใช่เสียงผู้หญิงร้องนี่ถ้าไม่รู้นะเราก็อย ปรุงแต่งโอ้ยเสียงผู้หญิงร้องโหยหวนแถวนี้มีม่าน้าคด้วยเนี่ยนี่หลงนะหลงพ่อไปเชื่อความคิดยิ่งกลัวยม้แต่ถ้าเรามีสติรู้ทันเอ้ยสติรู้ระลึกถึงคำเตือนของผู้ที่มาอยู่ก่อนหรือว่าตั้งคำถามเวลามีอะไรผิดปกติขึ้นมาก็ให้ สมมุติไว้ก่อนให้ทึกทักไว้ก่อนหรือให้นึกไว้ก่อนเป็นเสียงธรรมชาติเราก็จะหายกลัวในปีต่อๆมาต่อมาก็ไปพักอยู่ในกุฏิหลังหอไตรประมาณทักตีหนึ่งตีสองก็ได้ยินเสียงตบตบข้างฝาจากด้านนอกเสียงตบตึงๆก็อยู่ประมาณเหนือศีรษะนิดหน่อยตื่นขึ้นมา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 วาวุ่นเลวุ่นวายอยู่ในปา่าสงบสงบแต่ว่าใจไม่สงบเพราะความกลัวเพราะไม่มีสตินสตินี่สําคัญมากจิตวิเวกหรือความสงบในจิตใจเนี่ยเกิดขึ้นได้เมื่อเรามีสติรู้ทันรู้ทันใจที่กับเพื่อมรู้ทันความคิดที่ปรุงแต่ง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 ก็มีเรื่องราวนะเกี่ยวกับหลวงปู่บุตรดาอันนี้ให้ง่คิดที่ดีหลวงปู่บุตราท่านก็มรณาภาพไปยี่สิปีมาแล้วตอนนั้นตอนที่มรณาภาพท่านก็อายุประมาณร0 1ปีตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเมื่อสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยมีโยงเขง้ามา น, นิมนต์ท่านมาฉันในเมืองในกรุงเทพ ท่านก็เดินทางจากสิงห์บุรีมาฉันเพลนเสร็จโยอมเห็นว่าท่านชราแล้อยากให้ท่านพักก่อนที่จะกลับวัดก็หาห้องให้ท่านได้จําวัดหลวงปู่ท่านก็เอ็หลังแล้วก็มีลูกศิษย์นะสีห้าคนมานั่งเป็นเพื่อนลูกศิษย์นี่เวลาจะคุยกันก็กระซิบกระซาบไม่อยากจะ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 เอะหลังอยู่ลูกศิษย์ได้ยินก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่พอใจก็บนนะ่นเดินเสียงดังจังเลยนะไม่เกรงใจกันเลยหลวงปู่ท่านได้ยินนะท่านหลับอยู่แต่ท่านได้ยินท่านก็เลยพูดเบาๆว่าเขาเดิ น, นของเขาอยู่ดีๆเอาหูไปลองเกีย้ยข่ยเองเอาหูไปลองเกี้ยมันก็เลยทุกเนี่เอาหูไปลองเกียกเยกเเก้ย ก็เลยรู้สึกว่าเสียงมารบกวนและทำไมถึงเอาหูไปลองเกี้ยก็เพราะไม่มีสติหูก็เลยเป็นหูหาเรื่องเสียงมันก็เป็นมันก็ดังของมันอย่างนั้นไม่มีสติมันก็เป็นเสียงรบกวนไม่ได้รบกวนที่ไหนไม่ได้รบกวนที่หูรบกวนที่ใจแต่ถ้ามีสติก็สักแต่ว่าได้ยิน ถึงแม้จะอาจจะเผอหนุดหงิดไปบ้างพอเห็นความหุดหงิดเห็นความไม่พอใจมันก็สงบลงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าใจสงบแม้ว่าเสียงจะดังจากรอบข้างเรื่องของความสงบที่ใจเนี่ยนะมันสามารถจะเกิดขึ้นได้ถ้าใจเรามีสติ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 ความว่าวุ่นความไม่สงบในจิตใจกเกิดจากโลภะโทสะโมหะเพื่อเกิดจากกิเลสกิเลสถ้ามาคร่อ ง, งําใจเมื่อไหร่จิตใจก็ว่าวุ่นไม่สงบสติเนี่ยเป็นเครื่องกั้นกระแสะกิเลสอันนี้พระเจ้าเคยตรัสไว้เคยมีคนถามพระพุทธเจ้านะอชิตตมานพอาจารย์ให้ส่งให้มาถาม มาลองภูมิพระพุทธเจ้าอาชิตามานกก็ถามว่าอะไรเป็นเครื่องกั้นกระแสะกิเลสไม่ให้ท่วมทนใจพระพุทธเจ้าก็ตอบว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะกิเลสและพระองค์ก็อธิบายต่อว่าปัญญาเนี่ยเป็นเครื่องระ ง, งับกระแสะกิเลส คือทำให้กระแสะกิเลสหมดไปไม่ใช่แค่กั้นเอาไว้คือทําให้หลุดหรือทําให้กระแสะกิเลสนี่มันเืิดแห้งหายไปทำไมาเราถึงมีกิเลสนะนะเพราะเรามีความอยากความยึดเรามีความอยากความยึดอยากให้สิ่งทั้งหลายมันเที่ยง หรือว่ายึดว่าสิ่งทั้งหลายต้องเที่ยงยึดว่าสิ่งทั้งปวงต้องเป็นสุขหรือให้ความสุขกับเรายึดว่าสิ่งทั้งปวงหรือสิ่งที่เรามีคือเป็นเราเป็นของเราความยึดอยากให้สิ่งทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเป็นตนพอสิ่งต่างๆเกิดไม่เที่ยงขึ้นมาเราทุกข์เลยเช่นร่างกายนี้พอมันเริ่มแก่ หรือว่าพอเจ็บป่วยเนี่ยทุกเลยเกิดความไม่พอใจขึ้นมาเกิดความเศร้าขึ้นมาหรือว่ามีคนขโมยของเราไปเกิดความโกรธมีคนชิงคนลักของเราไปก็โกรธหาว่าเอาของกูไปเอาของกูไปความยึดว่าเป็นตัวกูของกูเนี่ยความยึดว่าสิ่งต้องพวงเที่ยงสิ่งต้องปวง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 มันเสื่อมไปหรือว่ามันพัดพลากนะจากเราไปพอเกิดความทุกข์นะซึ่งอา่อานหลวงพทอสักก็ดีความโกรธความเศร้าเสียใจก็ดีจิตใจก็ไม่สงบแล้วให้ความไม่สงบเนี่ยในจิตใจเนี่ยถึงที่สุดแล้วก็เกิดจากกิเลสนะที่มี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 เมื่อหมดไปใจก็สงบไม่ถูกกิเลสรุมเรา้าจิตที่สงบจากกิเลสเนี่ยนะเป็นจุดหมายสูงสุด ข, ของการปฏิบัติเ้าเรียกว่าอุปทิวเวอุปทิวเวนี่นะประเสริฐที่สุดนะประเสริฐกว่าจิตวิเวกอีกจิตวิเวกเนี่ย จ, จะเป็นความสงบเพราะไม่ไปรับรู้เสียงรบกวน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 หรือว่าร่อเราให้เกิดความอยากเห็นโฆษณาตามป้ายหเห็นโฆษณาตามหนังสือพิมพ์เกิดความอยากขึ้นมาความสงบกระเจิงเลยเพราะว่ามันอยากได้ขครเดียวกันก็อยากผักใส่เพราะความโกรธที่มีเสียงดังต่างๆให้ความความสงบที่ใจพอต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมมันเป็นความสงบที่ ชั่วครั้งชั่วคราวตาบใดที่กิเลสไม่ได้ลดก็ยากที่จะมีความสงบอย่างแท้จริงมีสานักปฏิบัติทําหลายแห่งที่ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาเพราะว่าปฏิบัติแล้วเกิดความสงบแต่ไม่เป็นความสงบที่ไม่ได้ลดกิเลสเลยเวลานี้ฝรังนสนใจเรื่องสมาธิมาก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 มีคนหนึ่งเขาเป็นอาสาสมัครให้การปรึกษาทางโทรศัพท์สายด่วนเขาเล่าว่าวันนึงก็มีคนมาปรึกษาถ้าทางเป็นคนมีเงินเป็นนักธุรกิจเวลาโทรสา์มาแบบนี้เขาไม่บอกชื่อเสียงเรียงนามแต่ว่าฟังจากปัญหาที่เขาเล่าเนี่ยถ้าทางจะเป็นเศรษฐีเป็นนักธุรกิจใหญ่ก็มีความทุกข์ก็ถามว่าทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะว่า ปีที่แล้วนี่กำไรได้แค่5000ล้านเองกำไร5000ันล้านยังทุกเลยนะเพราะอะไรเพราะปีก่อนโน้ตกำไรหมื่นล้า น, นขนาดห0 0 0ล้านยังทุกเลยเพราะเพราะความโลภเพราะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีความสงบจากสมาธินะแต่ถ้าหกิเลสไม่ได้ลดไอความสงบที่เกิดขึ้นก็ชั่วคราว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 ความสุบัรที่ต้องเกิดจากปัญญาไม่ใช่แค่สมาธิชั่วครั้งชั่วครางหรือไม่ใช่เพราะว่ามีสติเพียงระดับหนึ่งเท่านั้นแนนที่เรามาปฏิบัติกันเนี่ยนะถ้าว่าใจมีความสงบอย่าพึ่งตายใจเพราะว่าความสงบที่เกิดขึ้นจะเป็นความสงบเพราะสิ่งแวดล้อมเพราะว่าไม่มีคนมารบกวนเพราะไม่มีงานการทา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 บันเทาเบาบางโลภโกรธหลงลดลงถ้าสิ่งนี้ยังไม่ลดนี่ก็เท่ากับว่าการปฏิบัติธรรมของเราก็ยังไม่ได้ก้าวหน้าเท่าที่ควร